สะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ สาธุโชธรรมพาสิสาไมติมัสสะคัมปริยายสะทุสาธายสมันเทหิสักจรธมโมโสตโโบตติ ต่อไปนั่งภาวนากัน <c oughs> นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงยกมือประนมขึ้นน้อมนึกและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจเรามุ่งหวังเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็จะต้องรู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริง ว่าคุณพระพุทธเจ้าคืออย่างไรเราจะพึ่งทันได้อย่างไรเมื่อเราเกิดมาก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าขอยังมีแต่พระคุณของพระองค์ปรากฏอยู่เนี่ยเราจะพึ่งได้อย่างไรเราต้องพิจารณาตรวจสองดูให้รู้เราจะพึ่งคุณพระธรรมนั่นได้อย่างไรอพระธรรมนั่นอยู่ที่ไหนธรรมของพระธนายอย่างนั้น เราจะพึ่งพระธรรมได้ก็ต้องน้อมนําเอาพระธรรมคาสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้มีขึ้นภายในตนของตนเองเราจะพึ่งคุณพระสงฆ์ได้อย่างไรพระสงฆ์ท่านก็อยู่วัดนะอยู่ในกุฏิวิหารลุงลานสลาของท่านเราจะพึ่งคุณพระสงฆ์ได้อย่างไรพระสงฆ์นั้นน่ะมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเราต้องน้อมนึกเอระลึกถึง จะ ไ, ได้น้อมอาพระคุณของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้มีขึ้นภายในตนของตนอย่างพระสงฆ์ปฏิบัติดีถ้าหากเราปฏิบัติไม่ดีเสียเราจะพึ่งคุณพระสงฆ์ได้ไหมมันก็ไม่ได้พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีเราก็ต้องปฏิบัติดีอย่างท่านมันจึงจะได้พึ่งพระคุณของท่านเนี่ยพิยจารณาตรวจตองดูให้รู้ให้เข้าใจอเบื้ อ, อ, องต้นใครน้อมนึกและลึกถึง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 พุทโธธรมโมสังโฆสังโฆธรรมโมพุทโธพุทโธธรรมโมสังโฆ วางลงมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงตอนนั้นไปท่านไขวัยที่จะลาสินเพราะสินนี่เป็นองค์มรรคข้อต้นเรามุ่งหวังจะบำเพ็ญมรรคให้เจริญมรรคของเรามันจะเจริญขึ้นไปได้ก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้จักมรรคจะทํามรรคให้เจริญขึ้นเป็นของยากควารู้จักมรรคเป็นวิชาอย่างไรรู้จักมรรคก็คือสินะ ต้นให้พิจารณาขิ่นชั่ระขิ่นก็รองอย่างบริสุทธิ์ฟ่องใสก็เดชเจตนายรัตงดุจเว้นภายในใจของตนข้าพระเจ้าเจตนายรัตงดเว้นจากการฆ่าตัดข้าพระเจ้าเจตนายรัตงดุจเว้นจากการลักทรัพย์ข้าพระเจ้าเจตนายรัตงดเว้นจากการประพฤติในทางกามข้าพระเจ้าเจตนายรัตงดเว้นจากการพูดปด ข้าพเจ้าเจตนาบริรัตษ์งดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยข้าพเจ้าเจตนาบริรัตษ์งดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการข้าพเจ้าเจตนาบริรักษ์งดเว้นจากการดูการฟังฟรนลมขับล่องเครื่องขับประโคมดนตรีดิสิ์ตีเป่าและประดับประดาตกแต่งร่างกายโดยดอกไม้และขลองหอม ข้าพเจ้าเจตนาวรัธนุตเว้นจากการนั่งนอนเหนือเสือศาสตร์อาสนะอันสูงใหญ่ภายในยัติเนร์สันดีข้าพเจ้าเจตนาวรัธนุดเว้นจากการรับเงินแรทองสินข้อนี้เป็นศินของสมมามเณรและพระของพระทิกษุขคาที่ว่าเจตนาวรรธ ก, ก็คือคิดงดเว้นถ้าเราคิดงดเว้นอยู่เป็นเนืองนิษคิดงดเว้นทุกวันทุกวั น, วนมันก็เป็นสินไปทุกวัน อสำคัญว่าเราจะไปคิดล่วงละเมิดเข้าถ้าไปคิดล่วงละเมิดเข้าก็เรียกว่าทำลายสินถ้าเราคิดงดเว้นอยู่ทุกวันสินสินมันก็มีกำลังแก่กล้าแข็งแขรงขึ้นเป็นลำดับลำดับอจนกว่าสินของเราจะเข้าถึงโลกุตระสินละอะไรนะละความยินดีได้ขาดความยินดีนี่แหละมันทำลายศินเดี๋ยวก็ยินดีในการรักษาสินเดี๋ยวก็ไปยินดีในการทำเลงกลับไปกลับมา อันนี้ความยินดีนมันทําให้จิตใจกลับออกไปมาจิตใจไม่แน่นอนมั่นคงรักษาศีลไม่ได้เจริญไม่เข้าถึงอภิศิลก็เพราะตัญหาความยินดีฉะนั้นเรารักษาศีลมุ่งหวังจะเลิกละปัญหาความอยากความยินดีภายในดวงจิต ด, ดวงใจให้หมดไปสิน้นไปอันเนี้ยการรักษาศีลเพื่อเออต้องการความหลุดพ้นจากอํานาจของตัญหา ไม่ใช่รักษาฉินเพื่อตัณหารักษาฉินเราอยากเอออยากได้อานิสงส์มันว่าเรารักษาฉินแล้วโอ๊เมื่อตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพบาจีดาปิฏินเป็นผมอันนั้นหรือว่ารักษาฉินด้วยความอยากความปรารถนาหรือว่าอยากได้โพกัสทรัพย์สมบัติน่ะในพื้นทุกมนุษย์เมื่อไปเกิดในภพใดชาติใดก็ข อ, ขอเป็นปู่มั่งทั่งบริบูรณ์หรืโพกัทรัพย์สมบัติอันนั้นถือว่ารักษาศินด้วยตัณหาความอยากไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้อยู่ออ อันนี้สงแห่งศีลนั้นได้อยู่เมื่อเรายังท่องเที่ยวไปว่าตักสงสารแต่วัตถุที่เราได้มานั้นอ่ะมันก็เป็นวัตถุที่ตั้งทุกนั่นแหละเออคมมั่งคมมีคมล่ําคมด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออเวลาตายลงกต่ตั้งเดียวไปไม่ได้เราก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นแหละสมบัติโลกเครื่องใช้ของโลกชั่วคราวเออเนี่ยมุ่งวังว่ารักษาศีลนะมุ่งหวังจะเลิกละตัญหาความอยากในสิ่งใดทั้งหมดเออให้จิตใจมาหลุดพ้นจากหนักของตัญหา เพื่อบรรลุพันิพานไปจุดหมายปลายทางที่พ้นจากทุกข์นี่เมื่อเราพิจารณาจินชำระสินก็รองให้บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นดีแล้วในระดับต่อไปนั้นก็ให้เจริญเมตตาให้นึกขึ้นภายในใจของตนเมตตาเมตตาจิตเมตตาใจอย่าไปสร้างความอยากความอยากมันเป็นเหตุเกิดทุกข์เออยาวในสิ่งใจก็เป็นเหตุกิดทุกข์ทั้งนั้น แต่ต้องการความสุขสงบเยือกเย็นสบายก็ต้องเลิกละปัญหาความอยากออกจากใจ น, นั้นเท raw เมตตาใจเออตนเมตตาตนเราเมตตาเราไม่ได้ใครจะเมตตาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทําเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ทําตามคําสอนของพระุทธเจ้าเลยทีนี้เราก็ไม่ได้เมตตาเป็นที่พึ่งมเมตตาเพียงปากเมตตาจะนอกใจเมตตาคนโน้นคนนี้แต่จใจตัวเองไม่เมตตาสร้างปัญหาความอยากให้เกิดขึ้นมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ เพราะตัณหาเป็นป่ายสมไทยเหตุเรเกิดทุกไม่ใช่เห็ุเร้เกิดสุกเมตตาลเล็เหตุเรเกิดสุกท่านว่าเมตตาเจโตปิมุตติจิตใจหลุดพ้นจากนั้นของตัณหาโดยเมตตาใจจริงๆต้องการเหตใจมีความสุขสงบเยือกเย็นสบายนัตติสันติปรังถุก ข, ขังเนะี่ยทุกอื่นงยิงก่กวความสงบไม่มีเหมื่อนใจมันสงบจากตัณหาเลิกละตัณหาออกจากจิตใจเสียได้ไหมเสียไดก็มีความสุขสงบอพรนั่นหมาเมตตาใจจริงๆเอ ใจเมตตาใจใจต้องทำเมตตาไม่ได้ใจใจจะได้พึ่งเมตตาเอออย่าไปคอยใจเมตตาคนอื่นเมตตาใจตัวเองได้ไหมต้องดูดีๆเ อ, อดูให้มันถูกต้องให้มันเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในเหตุในผลเมื่อเราทำเมตตามีภาในดวงจิต ด, ดวงใจงทั้งตนแล้วท่านก็ให้แผ่เมตตาจิตออกไปทั่วทุกทิศทุกทางหัวคอสัพพัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลก จงเป็นสุขเป็นสุขทุกขัส่วหน้าเกิดความสุขนี้แม่แต่ตาเลระาชาันเขาขอปรารถนาเออฉะนั้นท่าจึให้แพ่เมตตาจิตอย่าเลยมีความเบียดเบียนถึงกันใดกันอย่าได้ทํำลายร่างฐานถึงกันลดกันอืจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดต่ อ, น, ตอ น, นั้นไปทีนี้ก็ให้ตั้งสติกําหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกตั้งสติท่านว่าให้ตั้งสติ สติก็คือความระลึกใครเป็นผู้ตั้งใจใจตั้งสติระลึกในลมหายใจเข้าออกเออให้สังเกตกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ได้จ่มแจ้งชัดเจนอ่พราะต่างใช้คำริยกรรมภาวนาเนี่ยคุดโทคุดโทแปลผู้ลู่สอนใจให้ลู่ลมอย่าให้มันไปหลงกับลมหรืออย่าให้มันไปหลงกับเรื่องอื่นให้มันลู่แน่นิ่งอยู่ที่ลม ถ้าจิตใจมันรู้แน่นิ่งอยู่ที่ลมได้แล้วเนี่ยมันจะไปไหนอ่เพราะความรู้แน่นิ่งจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมรรคที่สองเมื่อจิตใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ปัญญาไม่ไปไหนปัญญาย้อนย่อนทวนกระแสกลับเข้ามาเห็นกายเห็นใจได้เออถ้าใจไม่ตั้งมัน่นแล้วทีเป็นของยาปัญญานะี่ยเห็นในเรื่องเรื่องภายนอกวงนอกเห็นในอาการกิริยาของจิตของกายไม่เห็นเหตุ ปัญญาจะกลับมาเห็นเหตุได้เนี่ยต้องอาศัยจิตใจที่ตั้งมัน่นท่านจึงเชื่อว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพอเกิดปัญญารู้เห็นเนี่ยกองสังขารตามก็เป็นจิตเนี่ยกองสังขารก็คืออะไรกองสังขารก็คือลมเนี่ยกายสังขารจิตตาสังขารในความคิดนั่นเมื่อเห็นลมเห็นความคิดเหรอทีอนี้อนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไปไหนต้องเห็นได้พราะความคิดก็เป็นเรื่องอานิจจังทุกขังอนาัตตนั่นแหละลมนี่ก็เป็นเรื่องอานิจจังทุกขังอนัตตา สังขารต่างฟวงไม่เที่ยงอืสังขารก็คือลมความคิดสังขารต่างฟวงเป็นทุกข์<น>ลมมันก็เป็นทุกข์ความคิดก็เป็นทุกข์คิดมากๆบางคนคิดมากๆจนเกิดโรคประสาทจนมันไม่หลับมันเป็นทุกข์ลม เ, เ, เป็นธ า, าตาุเป็อนัตตาความคิดมันก็เป็นธ า, าตาุเป็นอนัตตาแต่ใจมันไม่รู้มันไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นปัญญาไม่เห็นติเนี่ยค่ะก็เลยไม่มีอะไรสอนจะให้รู้ ก็เลยหลงทีนี่หลงกับความคิดหลงกับลมหลงกับลมเนี่เป็นเราหลงกับความคิดเป็นเราเราคิดความคิดความนึกเป็นเร า, นานง่ายหลงหลงอย่างนั้นที่เรีกวเกิดความยินดีคิดดีก็เกิดความยินดีคิดไม่ดีก็เกิดความยิ่ดดีขึ้นมาฮะลมดีก็เกิดความยินดีลมไม่ดีก็เกิดความยิ่ดไล่ขึ้นมาง่ายอ่าเรียกมเรียกเขาไปยึดไปถือเรามีเราเป็นเรามีเราเป็นยุ่งใหญ่ เออมายึดกายกับใจนี่แล้วยึดความคิดความนึกแล้วสิ่งมันก็ต่อไปเรื่องภายนอกเออยึดหัวเราเมียเราหลุกเราล้านเราบ้านเราเลือนเรางัวเราควายเราลดเรานาเราสวนเรานี่แต่ของเราเส่มั้งอนาคตาเลยไม่มีเฮ <c oughs> มีแต่ชัวยแต่ตนแต่ของของเราทั้งนั้นถ้ามัละเสียปล่อยเที่ยวางเทียนละไม่ได้ของเราจะไปละยังไงก็มันของเราดูละไม่ได้แหละแต่เห็นเป็นของเราอยู่ มันต่อเห็นอนัตตามันจึงจะละได้เอถ้าไม่เห็นอนัตตาเราไม่มีทางเนี่พยายามตั้งใจตั้งใจดีๆมุ่งหวังจะทํามัดทําผลให้เป็นกิพิริย์ของใจมัดผลเนี่ใครทําให้ไม่ได้ผัวก็ทำให้เมียไม่ได้เมียก็ทําให้ผัวไม่ได้พ่อแม่ก็ทําให้ลูกไม่ได้ลูกก็ทําให้พ่อแม่ไม่ได้หมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยใครก็ทําให้ใครไม่ได้เอเป็นของใครของมันกรรมเป็นของของตนตนต้องทําำจิตใจต้องทํา ถ้าใจไม่ทำํำอะไรทีเนี่เออใจไม่ทําที่ ến, จะไปสําเร็จมรรคผลที่ไหนก็เพราะไม่ทําตามศีลมีอยู่แต่ไม่ทําสมาธิมีอยู่แต่ไม่ทําปัญญามีอยู่แต่ไม่ทําวิชามีอยู่แต่ไม่ทําำถ้าใจไม่ทําที่นี่จะไปมีวิชาอย่างไรจะไปมีปัญญาอย่างไรจะไปมีสมาธิอย่างไรจะไปมีศีลอย่างไรก็ไม่มีเพราะไม่ทําท่านสอนให้ทำแต่ไม่ทําเหมือนท่านบอยกินข้าวแต่ไม่กินเนี่ยเออหรือกินไม่พอมันก็ไม่อิ่ง เนี่ยรู้ทำและปฏิบัติตามธรรมเนี่ยให้สมควรแก่ธรรมถ้าใครปฏิบัติตามและทำคำสอนพระเจ้าเนี่ยฉันว่าเป็นนิยา น, นิกระทำสามารถจะทําบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับความสุขตลอดสักความคนจากทุกเป็นประโยสารคนไหนปฏิบัติตามจริงพระเจ้าฉันยกนิ้วให้เลย้าสิทิ์ข้อเดียวเท่านั้นแหละทำตามจริงๆแล้วบรรลุมรรคผลได้จนถึงภูมิระวะหลักถ้าไม่ทําตามเนี่ยโอ้ตัางๆร้อยพาสิทธ สุที่บางคนจะมาเข้าวัดเขาวาท้ำผาเพื่งเนี่ยตั้งมาตั้งเก้าปีสิบปีสอนจนปากเปียกพันสาหนึ่งโลโเทศเนะี่ยไม่รู้กี่ขั้นในฟังนับแต่เป็นหลายร้อยขั้งกิเลสยังท่วมหัวเอาไปเอามากวเลยฮเสื่อมสัตย์กิเลสของตัวเองมันฆ่าตัวแต่คนรู้ไม่รู้จักไปมองเห็นแต่คนอื่นบอกคนอื่นไม่ดีแต่ตัวเองไม่ดีนะ่ะมันมองยากนะทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นอะไม่เห็น เห็นตัเองบ้างเห็นคนอื่นบ้างเห็นคนอื่นบ้างเห็นตัวเองบ้างต้องเห็นไปเห็นมาแต่ว่าตอนที่จะละกิเลสตัวเองมันต้องเห็นตัวถ้าไม่เห็นตัวเองละไม่ได้เนี่ยพุทธะเห็นตนพุทธเห็นธรรมเท่าไหร่พุทธเห็นธรรมพุทธะเห็เราแต่ถาคตพระพระพุทธเจ้าก็เราสัญชีภัยอย่างนี้เนี่ยตอนที่ว่าปัญญาจะย้อนกลับมาเห็นตนเนี่ยมันต้องอาศัยจิตใจที่ตั้งมันถ้าใจไม่ตั้งมันละดูยากดูกายก็ยากรู้ใจก็ยากเห็นกายตามความเป็นจริงก็เห็นยาก ยึ่นเห็นใจดูมันละเอียดนามธรรมนั่นน่ะต้องอาศัยปัญญาอละเอียดอีกด้วยอเมันอที่จะทวนกระแสเข้าไปเห็นอ๋อใจหลงเป็นอย่างไรหนาะใจยินดีเป็นอย่างไรเนอใจยินไล่เป็นอย่างไรเนอใจมันเห็นผิดเป็นอย่างไรเนอใจมันยึดถือเป็นอย่างไรเนอนี่ออถ้ามีปัญญาก็จะเห็นอถ้ามไม่มีปัญญา เ, าเห็นยากกิเลสภายในใจเนี่ยอะฉะนั้นคนเราจึงละกิเลสออกจากหัวใจตัวเองได้ยากเพราะปัญญานี่แหละอ่อน คำ่าปัญญาเกลกกายข็งแขรงแล้วก็อาจจะ ง, ง่ายเข้าเเห็นถูกต้องตามก็เป็นจริงเป็นเครื่องสอนใจตัวเองจิตใจมันก็จะเลิกละกิเลสออกจากดวงจิตดวงใจได้จิตใจก็จะเปิดใจเพื่อความพลนทุกข์อันเนี้ยเรามุ่งหวังความพ้นทุกข์ให้พากันตั้งปกตั้งใจทําที่พึ่งในกแก้ตัวทำมัดําผลใี้มีขึ้นภายในดวงจิตดวงใจเพื่อจะได้พึ่งมัดพึ่งผลภายในดวงใจที่ทํานั้นเนี่ยตั้งสติกําหนดไป้สิ่ลมสอนสังคําบริกรรมภาวนานพุโทโธ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 ลูกจริงแจ้งไดชัดละหลงเสียได้ลิมุดไม่ไปไหนดอกหลุดพ้นแน่นอนอทําคําสอนพระพุทธเจ้าสรนรับรองเอาไว้แล้วถ้าทําตามนอกจากเราจะไม่ทําตามนั่นแหละท่านสอนให้ลูกกลับไปหลงเสียก็แล้วเรื่องอา่าเคยเล่ว่าฟังทำก็เลยไม่ได้ผลเขาวัดเขาว่าก็เลยไม่ได้ผลเอาไปเอามาหาอแทนที่ว่าจะได้บุญกลับได้บาปเออสร้างบาปขึ้นมาอา่ี เนี่ยจงตั้งสติกำหนดลมให้สังเกตกำหนดลมหายใจเข้าออกได้แจ่มแจ้งชัดเจนว่าหายใจเข้าออเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมสังเกตกำหนดลมหายใจเข้าออกได้แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วทีนี้คำบริกรรมภาวนาเราจะหยุดก็ได้ถ้าหากว่าสติของเรายังไม่แก่กล้ามันมักจะพลั่งเผลอลงมลืมอยู่ก็ให้ใช้คำบริกรรมภาวนาตัวนี้เป็นเครื่องสอนใจเอาไว้ พุธโทพุธโทควบคู่กับการกําหนดลมหายใจเขาออกนั่นจะ ม, มาสังเกตดูใจว่าใจมันลู้ได้อยู่าที่ลมหายใจเขาเพราะมีสติตัวนะั้นตั้งความร ล, ลึกเอาไว้เข้มแข็ง ล, ลึกไปในลมรู้ลมอืถ้ารู้ลมแน่วแ น, วแ น, วแน่มั่นคงคําบธิกรรมภาวนาจะหยุดก็ได้อืฉะนั้นจงตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมอย่าลืมลม <c oughs> คือณวันนี้เป็นวันสามาัคคีเราท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมเพียงกันแล้วในสถานที่นี้เมื่อได้พากันประกอบในบุพกิจเบื้องตน้นตามที่เราเคยทํามาก็ได้แก่การไหว้พระสวดมนต์เ อ, อืนอน้อมนึกระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์การพัลนาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเมื่อเราพัลนาได้มากรู้และเข้าใจเงื่อความของคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไในตามความเป็นจริงมันเป็นอุบายที่จะ เออทาให้ศรัท ธ, ธาความเชื่อความเลื่อมใสของเรามีกําลังก้าวหน้าไม่ถอยหลังก้าวหน้าจนถึงไหนจนถึงนั่นแหะศรัท ธ, ธาพิมุตติใจ ห, หลุดพ้นจากหนักของกิเลสโดยศรัท ธ, ธาอันนี้เชื่อว่าศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าถ้าเราทํากรรมดีจะได้ดีเออถ้าทําดีจริงๆริงเดี๋ยวทำดีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆไม่ทำชั่วมาเพิ่มเติมแล้วมันจะไปไหน เน่ยเขามีแต่ความดีเพิ่มเติมมีแต่บุญกุศลเพิ่มเติมมีแต่มรรคแต่ผลเพิ่มเติมจนมันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ภายในดวงกิจ ด, ดวงใจเนี่ยจนจิตใจมันหลุดพ้นจากหนักของกิเลสได้สันติว่าสัทธาวิบุตรใจหลุดพ้นจากหนักของกิเลส ด, ด้วยศรัทธาเนี่ยเชื่อเชื่ออะไรทีเนี่ยต้องมาพิจรารณาเชื่อกรำการกระทํา ใจทำความโลภใจทำความโกรธใจทำความหลงอันนี้เป็นกรรมชั่วกรรมไม่ดีใจไม่ต้องการละเทีละเที ย, เ, ทยเนี่ยมันมาลูกมาเห็นละละั่มก็หลุดนั่นนะท่านบอกศัทธาวิมุตต์ใจหลุดพ้นจากกิเลสจากบ่าวก้ศสนด้วยศรัทธาเนี่ยเราพิจารณาตรวจตองภายในดวงใจของตนตอนนี้ไปจะได้อธิบายขยายพาสิตธคาถาที่ได้ยียกตั้งไว้เป็นนิเขปะปบทในเบื้องต้นนั้นซึงมีใจความว่า ทิฏฐุชุกธรรมะแปลว่าเออการทําความเห็นให้ตรงการทําความเห็นให้ตรงนี่ถ้ามันเป็นบุญอืท่านจึงจัดเขาในบุญกิเลวัตถุข้อนี้เป็นเป็นบุญกิเลวัตถุข้อที่สิบข้อที่สิบท่านว่าทิฏฐุชุกธรรมะการทำความเห็นให้ตรง เราบคุคคลก็ได้มีความเห็นตรงถูกต้องตามกวาเป็นจริงแล้วที่นี่ท่านว่าทําให้รวดเร็วทําบุญก็ทำํำในรวดเร็วธรรมะธรรผลก็ทำํำในรวดเร็วตลอดถึงว่าต้องการหลุดพ้นจากกิเลสก็มันเห็นตรงว่าอะไรเป็นกิเลสละเสียละเสียมก็หลุด น, นท่านจะว่าบางแห่งแต่จริงที่แว่สัมมาทิฏฐิสัมมาญาณะสมัยมุติเห็นชอบหลุดชอบละชอบหลุดพ้นไปเลยที่ว่าจิตใจยังไม่หลุดพ้นกับเพราะอะไรเพราะยังรู้ไม่ชอบ รู้ไม่ชอบพ่ออะไรยังเห็นไม่ชอบถ้าไมถ้าจัวเห็นไม่ชอบคือความเห็นของเราเสียมันยังไม่ถ้าไม่ชอบก็เพราะว่าความเห็นตัวเนี้ยมันยังไม่ตรงบางทีว่าความเห็นนั้นอาจจะเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วอย่างเนี้อันนี้ฉันว่าเรีวความเห็นไม่ตรงสิ่งที่ชั่วกับเห็นว่าเป็นของดีสิ่งที่ดีกับเห็นว่าเป็นของชั่วอันนี้เรียความเห็นไม่ตรงต่อธรรมที่เรียกความเห็นตรงมันอย่างไรต้องเห็นดีเป็นดี เห็นช e hmm. ั่วเป็นชั่วอย่างเนี้ท่านบอกว่าทําความเห็นให้ตรงถ้าเห็นตรงว่าโอ้ทิ้งได้มันชั่วมันไม่ดีอก็จะได้ถามใจก็ชั่วอย่างนี้ใจต้องการไหมบาปอย่างนี้ใจต้องการไหมขุ่นโศนอย่างนี้ใจต้องการไหมเหตุใดเกิดทุกอย่างนี้ใจต้องการไหมมันจะได้รับคําตอบขึ้นมาจากใจของเราเองไม่ไม่ไม่ก็หาใครทําล่ะใจไม่ทําไม่ใช่หรือใจทําก็จะให้ใครละสิ่นี้ใจละใจละถ้าใจละปรลดนั้น อบางทีว่าเจี่ยมันยังไม่หลุดกับพูดเพราะใจไม่ละเจี่ยบใจยังไม่ละก็คือยังความเห็นนี่ยังไม่ตรงเอ่อฉะนั้นท่านจึงว่าให้ปรับปรุงความเห็นให้พิจารณาเทียบกันความเห็นถูกกับความเห็นผิดนั่นแะให้พิจารณาเทียบกันเออเห็นอะไรเรียกว่าเห็นถูกเห็นอะไรว่าเห็นผิดเออเห็นผิดก็คืออะไเห็นชั่วเป็นดีบางทีว่เห็นดีเป็นชั่วนะ การให้ทานเป็นของดีเห็นเป็นของชัว่วไปเสียรักษาศีลอย่างเงี้ยเป็นของดีเห็นว่าเป็นของชั่วไปเสียรักษาศีลไม่ได้การทําสมาธิเนี่ยเป็นของดีแต่เห็นเป็ของชั่วไปเสียทําสมาธิไม่ได้กลัวเป็นบ้าเป็นว่าเการจะเลยปัญน า, า, านี่ะการพิจารณานี้จังทุกข์ฆาตตานเป็นของดีจะเห็นว่าเป็นของชั่วไปเสียอ้ยเรื่องอันนี้จังเรื่องทุกขังเกิดแก่เก็ดตายไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากพิากจรารณา ถ้ามันพิจารณาแล้วมันจะไปเห็นจริงแจ้งได้ชัดอย่างไรเพราะทางจะดําเนินเข้าไปสู่พระนิพพานจะต้องผ่านความเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์เท่าก่อนมันไปไม่ได้ฉะนั้นถ้านจึงจัดเขาในหลักของอริสัตข้อต้อนหเห็นทุกข์กันไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าให้เห็นทุขอะแต่เห็นทุขมันจะไปติดในสุขนั่นแหละเอออะไม่เห็นทุกข์ลวมันจะเกิดความสังเวชสลดใจอย่างไรจะเกิดความเบื่อก้มนายได้อย่างไร เนี่ยเราพิจนนารณาตรวจตอบอันนี้ความเห็นในในส่วนสูงขึ้นมาอันจะเป็นทางยั่งเข้าสู่อริยภูมิการบรรลุอ่าบรรลุภูมิธรร ม, มของพระอริยะที่นี่เราจะต้องสาวถึงเบื้องต้นแห่งความเห็นที่ท่านว่าทำก็เห็นนี่ตรง เ, ออเห็นตรงต่อกับในเบื้องต้นนั้นน่ะท่านว่ า, ากรรมสกต า, ป, ญญาปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยฮก็คือเรื่เครื่องเห็นเครื่องเห็นตัวนี้ท่านท่านยังเชื่อว่าทิฏฐิ ทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าว่าเห็นถูกท่าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นผิดท่าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่แหละมันเป็นทางที่ว่ากางกั้นการบรรลุอิมุตถ้าเห็นผิดปฏิบัติผิดแล้วที่เนี่ไปยากเพราะเดินทางผิดคนเราถ้าเห็นเห็นผิดแล้วที่เนี่ยปฏิบัติผิดอืมันก็ไปค้องไปติดไปกขมไปคาเลือกล่นไม่ได้บางคนก็เลยไปถือมั่นในความเห็นผิดถ้าว่าผิดชั่วไม่ดีละเสียละไม่ได้ นั่นน่ะละไม่ได้อก็ทํำกรรมชั่วกรรมไม่ดีเมื่อละไม่ได้จะหลุดพ้นไปได้อย่างไรเมื่อก็หลุดพ้นไปไม่ได้เนี่ยจะต้องเห็นตามพอเป็นจริงของมันทำเราอีกด้วยเอว่าความชั่วคบวมไม่ดีบัพภะกุศลเราต้องการไหมเมื่อเราไม่ต้องการเออขอละสีเราเป็นคนทําอำเราทําเราละเออถ้าเราละมันหลุดเนี่ยที่มันไม่หลุดก็คือไม่ละยังทําอยู่เออนี่ยังทําอยู่นี่ถ้าจะให้พิจารณาตรวจตอง อ่าตรวจปองความเห็นเนี่ยเพื่อจะปรับปรุงความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงอืมเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกไม่เห็นผิดตามความเป็นจริงแล้วทีเนี้จะได้พยายามปรับเออความเห็นถูกมันก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามอย่างพิจารณาเบื้องต้นดูจีอย่างคนเห็นว่ามัจฉริยะดีนั่นเห็นว่ามัจฉริยะดีอ่ามีวัตถุเขาของเงินทองหลักการนี้แน่นห่วแห็นเอาไว้อ่าไม่ต้องการให้มันหมดมันสิ้ต้องการจะจะให้ได้มาเพิ่มมากๆ ให้ล้ำให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออมั่งมีเงินทองมากๆเรื่องให้เรื่องสละเรื่องหมดเรื่องสิ้นไปเนี่ยออไม่ต้องการให้มีต้องการก็จะให้มาให้มีมาเพิ่มอืเหมือนอย่าง เ, ออเศรษฐีในสมัยก่อนนั้นอ่ะที่มีความเห็นผิดเออ่มีความเห็นผิดนั่นเขาเนี้นําสั่งสอนลูกเขาเออทรัพย์สมบัติของเราถี่มีอยู่เออนั่นแหละยาได้ใช่ายใจจับตายใช้สอยสูรยส้ร่ายทำมันหมดแม่นเปลือง ให้มันสิ้นไปเอให้หามาเพิ่มเติมให้มากเอออย่าไปให้แกคนอื่นเอออย่าไปทานเอออย่าไปให้แกญาติโยมในพกคนําผ่าอนาถาเออย่าไปทานเกิดสมณะชีพามเอออย่าไปบาเพ็ญบุุศลอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นทางเหความเสี่องความเสื่อมทรัพย์สิ้นทรัพย์เลืองทรัพย์ไปอย่างนั้นเออเนี่ยเราควรจะไปแสวงหามาให้ได้มากให้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอืมอย่าให้มันหมดมันสิ้นไปเนี่ยอ่าเรียกว่าสอนลูกไปในแนวทางมัจฉริยะความตณี เรือ่องสอนกันไปในแนวทางมัริย์ความตณีอเหมือนอย่างมัฏฐกุณฑลีนั่นแหละพมอจะเป็นพ่อเป็นแม่สอนลูกอสอนลูกให้แสเขาหกทรัพสมบัติมาเมื่อได้มาแล้วก็เอาให้เก็บพร้อมรอมลีบเอาไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราจะได้มั่งมีร่ํำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอย่าไปจับใจใส่ส้อยเออย่าไปกินไปทานนั่นแหล ะ, ะจนว่าถึงการเวลาที่ควรจะทําประโยชน์ก็ทําไม่ได้ ถึงว่าโรกภัยถ้าเจ็บเกิดขึ้นมาจะเอาเงินไปซื้อยาก็กวัวจะหมดฮะซื้อยามากินก็กวัวจะหมดเอาไปเอามาก็เลยต้องปล่อยให้ลูกตายเออเน้นก็เลยช่วยอะไรไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะโทษแห่งความตนีนี่มันไปอย่างนั้นความตะนีไปจากอะไรเป็นไปจากความเห็นเห็นผิดเห็ความตณีนี่นหแหละหัวแหนเราเป็นของดีเอ ไม่เห็นว่ามันช่วมันไม่ดีแต่ความตณีนั่นแหล่งหวงเหนมากๆเข้าที่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรแกตนเองเลยแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เจ้ามากินมาใช้ก็ไม่ได้เพราะกลัวมันจะหมดน่ะมันจะเกิดประโยชน์อะไรแม้แต่ประโยชน์แก ต, ตนเองก็ไม่เกิดเนี่ยจะไปให้ทานคนอื่นก็ยิ่งแล้วให้ทานไม่ได้อันนี้ฉันว่าความเห็นผิดมันเป็นเครื่องกลางกันการบำเป็นบุญกุศลฐานบรารมีไม่มีกําลังแกกข้าแข็ ง, ขง ก็มีแต่บาปจะอกุศลนะมีแต่ขมต์ตันีเนี่ยหวงแขนนั่นแหละมันแค่มันแก่กายแข็งแข็งขึ้นเอาไปเอามาที่นี่โทษของอันเนี้ยอถ้าอ่าอถ้าเลิกละมันไม่ได้จนถึงสายก็ต้องกลับบางคนอ่ะตันีเนี่นหวงแขนซับจะเอาไปฝังไบ้ายตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นงูเฝ้าอ่ะไปเกิดเป็นหนูเฝ้าไปเกิดเป็นผีเฝ้าเนี่ยพระโทษแห่งความตันีอ่าเนี่ยท่านวะมันไปจากไปจากความเห็นผิดโยเห็นไม่ตรงเออเห็นไม่ตรง เห็นไม่ถูกต้องตามควรเป็นจริงสิงนี้มันเป็นของชั่วแต่เห็นว่าของดีไปเสียนั่นน่ะมันเป็นบาปแต่เห็นว่าเป็นบุญไปเสียเนี่อันนี้เราความเห็นไม่ตรงท่านว่าเห็นมาเห็นชั่วเป็นดีเห็นบาปกุศนเป็นของดีเฮลยพอใจทําอยู่ในสิ่งนั้นนี่อ่ามันก็เลยให้โทษแก่ตนเองที่ในระดับที่สองที่สองต่อไปอีกกันว่าเห็นชั่วเป็นดีคืออย่างไรเนี่ยเห็นว่าการฆ่าสัตวเป็นดีฆ่าสัตวมันไม่ดีท่านวามันเป็นบาปอีกุศลที่ให้เกิดผลคือความทุกข์ เออทุกทางตนเองทุกทางบุคคลผู้อื่นเบียดเบียนตัวนเองแะบุคบเบียดเบียนทางบุคคลผู้อื่นแต่เห็นว่าเป็นของดีนะัพราะคนเราเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นดีนี่แหละจึงรักมันได้อย่างเห็ว่าการฆ่าถัดเป็นดีเออไปฆ่าได้มากๆโอ้ดีอกกี่ใจฆ่าปูได้ฆ่าปลาได้ฆ่าเป็ดได้ฆ่าไตได้อย่างเนี้ยฆ่าหมูได้ฆ่างัวได้ฆ่าควายได้อย่างเนี้ยเออฆ่านกฆ่าหมูได้เออถ้าไปฆ่าได้มากมๆโอ้ดีอกกีใจเออเรารวยเนี้วเออจะได้มาปิ่งมาแกงมาราบมาอมเออตลอดที่เราได้มากๆเอาไปขายได้เงิน มันไม่ดียังไงค่าสัดอ่ะเอบางคนจะพวูดชาวประมงอย่างนี้ดูสิถ้าไปหาปลาในทะเลได้มากๆเราเอาขึ้นมาขายแม่ดีเดีด๋ยวปีไกเราได้ได้เรารวยเรามั่งเรามีขึ้นเพราะอะไรเพราะทําประมงเนี่ยนั่นไปเห็นแต่แค่นั้นเห็นแต่วัตถุสมบัติที่เกิดขึ้นได้เพราะการค้าขายสิ่งนั้นแต่ไม่ได้มองไปไกลๆมองไปไกลอีกเออนาคตขา้างหน้าหรือจากพิจารณาใกล้ๆแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาในตอน